สำมรวมจิตไว้ให้ดีต่อไปจะเทศให้ฟังเกี่ยวกับกจิตกับใจของเราเนี่แหละตัวคนคนหนึ่งมีส่วนประกอบอยู่ห้าอย่างเรียกว่าขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ รูปคงเป็นรูปคือร่างกายของเราทุกส่วนท่าทั้งสีท่าทั้งสีนี่แหละเรียกว่ารูปเวทนาคือความมีอารมณ์ความเสวยสุกเสวยทุกเวทนานะรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายรู้สึกเฉย สัญญาความจำได้มาให้รู้สังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งวิญญาณคือใจสี่อย่างนี้รวมลงเป็นใจรูปกับนามอย่างที่เราเห็นนี่แหละ ลูกก็คือร่างกายของเราทุกส่วนเวทนาความรับสวยอารมณ์หรือรับรู้อารมณ์สัญญาคือความจำได้หมายลูกสังขารคือความคิดเนื้อคงแต่งวิญญาณคือใจนี่แหละพูดแล้วมีกายกับใจเท่านั้นเอง เป็นค น, นคนหนึ่งคนคนหนึ่งมีกายกับใจอยู่ได้เพราะไม่เพราะยังไม่ถึงเวลาอืร่างกายยังไม่แตกสลายก็อยู่ได้ทํางานได้ทําหน้าที่ต่างๆได้แต่ถ้าคันเหล่านี้หรือว่าอารมณ์เหล่านี้แตกออกจากกันรูป ก, ก็แตกไป เวท น, นาสัญญาสัางขารนิ ญ, ญาณก็แตกไปต่างไปคนละทิศละทางไม่สมานสามัคคีกันไม่อยู่ในร่องรอยอันเดียวกันก็เรียกว่าตายคือแตกแยกหรือเป็นฝักเป็นฝ่ายเข้ากันไม่ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจณาว่า พิจนากายสอนให้พิจนากายถ้าอยากคนทุกข์ก็สอนให้พิจนากายกายมีอะไรบ้างกายก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกน่แหละมีดินมีน้ำมีลมมีไฟ สิ่งเหล่านี้ก็ประชุมกันอยู่รวมกันอยู่ตั้งอยู่ในความเสมอภาคกันอยู่ถ้าตังอยู่ไม่แตกสลายไปก็ยังไม่ตายตาก็ไปทางหนึ่งหูก็ไปทางหนึ่งจะโม ก, ก็ไปทางหนึ่งปากก็ ไปทางหนึ่งกายก็ไปทางหนึ่งเทานหนักเทานเบาไปทางหนึ่งแยกกันอยู่ไม่ผสมกันแยกกันต่างแยกกันอยู่น้ําก็ไปพอน้ําลมก็ไปพอไฟพ่อพอไปน้ําก็ไปพอน้ําดินก็ไปพอดินะ ต่างคนต่างสิ่งต่างอย่างแตกแยกกันไปเขาก็เรียกว่าตายเมื่อลมไปแล้วไม่กลับก็ตายคือลมหายใจออกได้แล้วหายใจเข้าไม่ได้ก็ตายหายใจเข้าแล้วหายใจออกไม่ได้ก็ตายเนี่ยมันมีเท่านี้เองมันไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลหรอกความตายเนี่ยเนี่ย อยู่ธาตุแตกขันแตกขันดับวันนี้แหละธาตุดับขันแตกก็แตกสลายไปหมดไปสิ้นไปอยู่ไม่ได้ดำรงอยู่ไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงให้พิจารณาพิจารณาธาตุสี่ธาตุดินที่มีอยู่ในตัวเราที่เป็นเข้นแข็งทั้งหมดเนี่ยนียว่าดิน ถ้าก็ให้ชื่อสมมุติโลกว่าตาตาหูจมูกลิ้นตาหูจมูกลิ้นตาก็ไปพอตาหูก็ไปพอหูคือไปทางใครทางมันไม่อยู่กับไม่อยู่รวมกันไม่สามัคคีกัน ก็แตกสลายไปตาก็ไปทางหนึ่งหูไปทางหนึ่งจมูกไปทางหนึ่งปากไปทางหนึ่งกายไปทางหนึ่งใจไปทางหนึ่งต่างอย่างต่างแตกสลายจากกันไปในที่สุดก็เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่ได้ตายแล้วก็ลงไป ผสมพื้นแผ่นดินให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นจึงให้พิจนาให้ดีตัวตนของเราเนี่แหละพิจนาตัวตนนี่แหละกลห้เป็นของไม่เที่ยงน้ำก็เป็นของไม่เที่ยงรูปของไม่เที่ยงน้ำก็ของไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นนาตาไม่มีสาระแกนสารที่เราจะเข้าไปยึดเอาถือเอาว่าเป็นของเราของเราได้ตลอดไปมันอยู่ได้เท่าที่มันควรจะอยู่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงพิจรณาให้มันเห็นของจริงในตัวของเราให้เห็นความตามเป็นจริง มันตั้งอยู่ได้ไม่นานหรอกร้อยปีก็ต้องไปแล้วบางที่ไม่ถึงร้อยปีก็ไปแล้วนั่นแหละตัวของเรานี่สําคัญเมื่อดินแตกไปแล้วก็ตายยิ่งน้ําน้ําก็เหมือนกันน้ําดีน้ำนํำเสลน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ำหมกน้ำลายน้ำหมดเนี่ย อันนี้ก็แตกสลายไปเราก็ตายเหมือนกันก็หายน้ำวันสองวันไม่ได้กินน้ำตายแล้วให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราเนี่ยแหละเราคำว่าตัวเราตัวเราอนนี่ก็มันเป็นตัวเป็นต้นอยู่ แต่ทำมันแยกกันอยู่เมื่ อ, อไหร่เมื่อนั้นเราต้องตายแม้แต่ไฟเหมือนกันนะไฟนี่ถ้าข้อมูอุดในร่างกายไม่พอนี่ก็ตายเหมือนกันดูในมันหนาวหนาวนี่พวกเมืองเลยี่ตายตายดีนะักกอแก่ๆตายเรื่อยตายเรื่อยนะเพราะอะไรเพราะมันหนาวมาก เลือดลมก็เดินไม่สะดวกความอบ อ, อุ่นไม่มีนะก็ตายมุงอย่างประเทศที่มันหนาวมากๆเนละเขาต้องให้อยู่ในเครื่องอบเครื่องอุ่นรูมีเปิดเครื่องอุ่นให้เครื่องทำความอุ่นจึงอยู่ได้ลมก็เหมือนกัน ลมเข้าแล้วลมออกถ้ามันยังออกเข้าได้อยู่สะดวกสบายอยู่มันก็ไม่เป็นไรแต่มันแตกสลายแยกกันเมื่อไหร่มันก็อยู่ไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะกายนี่แหละส่วนที่เป็นกายนี่แหละมันเป็ี่ยนส่วนที่เป็นใจก็คือความรู้สึก ความนึกความคิดอันนี้เลยว่าส่วนที่เป็นใจหรือวิญญาณอืยูด่ด้วยกันไม่กลัวนะนอนอยู่ห้องเดียวกันก็ได้แต่พอตายแล้วท่านเนี่ยกลัวเลยกลัวอะไรล่ะก็พี่หลอกนะก็พี่หลอกน่าจะกลัวกันตั้งแต่อเป็นมนษย์แต่พอตายแล้วลกวลัวกันอีก รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารสี่อย่างนี่รูปเวทนาสัญญารูปคงเป็นรูปนามทีนี้นามก็คือเวทนาสัญญาสัญญาสงขารวิญญาณอันนี้เป็นนามจับต้องตัวตนไม่ได้แต่สีนี้ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มี มีอยู่กิจวิญญาณของคนเนี่ยเราจะไปสู่ภพไหนภูมิไหนเราก็เอาตัวของเราเนี่ยแหละไปสู่ภพไหนภูมิไหนก็เอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยแหละไปไปเกิดภพใหม่ภูมิใหม่อีกต่อไปอเกิดที่นี่แล้วก็ต่อไปก็ไปเกิดเป็นโน่นเป็นนี่ไปตามบุญตามบาปมาเลย มีบุญมากกขไปตามบุญไปสุขติสวรรค์พมโลกหรือมีบา ร, รมีสูงส่งสามารถปฏิบัติบรรลุปเป็นพระอรหันต์ก็ไปสู่นิพพานมันเป็นอย่างนั้นพยายามปฏิบัติทมในพยายามพยายามยังไงก็คืือพยายาม ทำความดีให้เกิดขึ้นคือให้มีมากมีผลให้มีพระนิพพานเกิดขึ้นในใจของเราพอมากผลนิพพานเป็นของมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีมันเป็นของมีอยู่พระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่มันไม่มีมันมีอยู่ พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุผลต่างๆให้เราได้ประพฤติปฏิบัติให้ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ให้ปฏิบัติตามคําสอนเพื่อที่จะได้พ้นจากกองทุกข์ถ้าได้เราได้สมบุกแล้ว ให้สํเร็จเป็นธุรพัณฑ์เราก็อยู่ได้อย่างชาติสุดเจียชาติเราก็ไม่มีสิทธิ์มาเกิดในมนต์นี้อีกเป็นพระหรหัน์ไปพ้นจากทุกไปนี่แหละถ้าได้เป็นวัศกิธาคามีก็เกิดชาติเดียวถ้าเป็นพระนาคามีก็ไม่ก็ไปเกิดที่พม่าโลกเลยถ้าเป็นพรหาหันก็ไปนิพพาน หมดทุกหมดโศก ห, หมดโลกหมดไยหมดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงหมดนิพพานังปละมังศุนญ์อย่างพระนิพพานศูญญ์อย่างยิ่งศูนญ์ยนอย่างยิ่งคืออะไรแสดงว่าพระนิพพานไม่มีใช่ไหมไม่ใช่กิเลสแต่มันศูญจากใจของพระอริยเจ้าท่านกิเลสมันไม่มี ความโลภความโกรธความลาหลงล่ะาตัณหาเรื่องต่างมันไม่มีมันไม่มีในใจของผาอรหันต์ัลแหลให้ตั้งก่ปฏิบัติให้ดีให้มีมากมีผลเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้เท่านั้นแหละถ้าทำถูกพระพุทธเจ้าตรัสว่าศาสนาจะมีอยู่ห้าพันปี องค์ก็ตัดสีว่าถ้าหากว่ามรรคปปดยังมีอยู่คนปฏิบัติตามมรรคแดก็ยังมีอยู่ยังสมบูรณ์ดีอยู่ทั้งสองส่วนก็จะโลกนี้จะไม่ว่างจากพระรหันเลยต้องมีพระลหันติดต่อกันไปตลอดไม่ใช่เพียงห้าพันปีเท่านั้นแต่ห้าพันปีนี่คือกำหนดอายุ ของพุทธศาสนาว่าจะมีอยู่ 5,000 ปีแต่ว่า 5,000 ปีนี่คนยังปฏิบัติทมอยู่ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ยังฝึกหัดปฏิบัติอยู่จนดูจนเห็นด้วยตัวตัวเองอยู่นั่นแหละโลกจะไม่ว่างจากวารานก็มาก็มีไปตลอดไม่ใช่เพียง 5,000 ปีเท่านั้นอืมมันมีไปตลอด แม่พ่อเรามาปฏิบัตินี่คอยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่นี่แม่ฟังเสียงเทศก็ไม่ต้องใจไปจ่อไว้ที่หูที่ปากเราเอาความรู้สึกมารู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ได้กินบ้างไม่ได้กินปากก็ไม่เป็นไรนี่แหละพอสามารถที่จะชาระกิตที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้ไม่ดีให้ดีได้ไม่ผ่องใสให้ เกิดพองใช้ได้สภาวาปัจจากานังการไม่ทำบาปทั้งปวงอุศลัสซูปสมธาการทำจีการอุศลัสซูปสมธาทำกุศลให้ถึงพร้อมชาคิตตาผลิโยตพนังอิตังหุต า, านาชาสนันติ ชำระจิตให้ผ่องใสนี่คำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายจิตนี้ผ่องใสถ้าเราปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบจิตของเราก็ผ่องใสถ้าเราปฏิบัติไม่ดีจิตของเราก็เศร้าหมองจิตของเราก็ไม่ผ่องใสไม่มีมากมีคนเกิดขึ้นได้เพราะมีบาปมีกรรมมีชั่วมีเพราะไม่ดีอยู่ในตัวมากมาย ปฏิบัติยังไงก็ไม่ขึ้นก็ต้องใช้เวลานานร้อยปีไม่พอก็ต้องพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเทศนาโปรดเอาเพราะพระพุทธเจ้าของเรากำหนดไว้ว่าคนเนี่ยเหมือนดอกบัวดอกบัวที่มันอยู่ในคนตบเนี่ยดอกบัวเหลาที่สี่เนี่ยมันโปดไม่ได้ก็ต้องรอเวลาให้พุทธเจ้าองค์ต่อไปนำมาเทศนาโปรดเอา น, นเนถ้าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปยังโปรดไม่ได้ก็องค์รอองค์ต่อไปรอองค์ต่อไปเมื่อองค์ต่อไปไม่โปรดเอาไม่ได้ก็ปล่อยไปพทุทธเจ้าองค์ต่อไปอีกเนี่ยแต่กว่าที่พทุทธเจ้าจะเกิดขึ้นพระ อ, องค์หนึ่งไม่ใช่เป็นของง่ายไม่ใช่วันสองวันไม่ใช่ปีสองปี มันเป็นหลายหลายอสงไขยพระพุทธเจ้าจึงมาจะรู้ครางหนึ่งพอฉนั้นพุทธมาพบพระพุทธศา ส, สนานได้พบพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าแล้วจะลีรออยู่ไม่ได้จะต้องปฏิบัติให้เกิดมาเกิดผลจะไปรอพุทธเจ้าองค์นั้นหรพุทธเจ้าองค์นี้มาตัดมาแสดงมันไม่ได้รอไปก็บางทีเรา เกิแต่เราไปตกนรกอยู่พระเจ้าเคยแพ้่ศาสนาอยู่เราก็มาฟังธรร ม, มปฏิบัติธรรมไม่ได้ว่ามีโทษอันนี้เป็นตน้นพระพุทธเจ้าหงุมน่มาตัสรู้แต่เราไปเป็นสัตว์ดีรสานอยนู่เราก็ไม่สามารถที่จะฟังธรรมเข้าใจได้ไม่สามารถชำระกิจให้บริสุทธิ์ได้ พันตอ่อพูดที่เจ้าอคนั้นองคนี่อยู่ไม่ได้พูดที่เจ้านานๆกว่าจะมีสักครั้งหนึ่งอย่างพูดที่เจ้าของเราเนี่ก็เกิดขึ้นแล้วปรินิพานแล้วสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่บวกกับอีกแปดสิบเป็นเท่าไหร่นั่นแหละคือพูดที่เจ้าของเราประสูตัสรู้แสดงธรรม บาลีนิพานพุทธเจ้าในส่วนร่างกายห ม, หมดไปแล้วแต่ส่วนความบริสุทธิ์ยังมีอยู่พุทธเจ้ามีกิจบริสุทธิ์พระธรรมคำสอนของพุทธเจ้ายังมีอยู่เป็นตัวแทนของพุทธองค์ทำใดวิในใดที่เราตัดที่เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย ทำนั้นวินัยนั้นจะเป็นจัดสดาแทนเราเมื่อเราร่วงระดับขันไปเนมันในทางคนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าอง์ที่สองที่สามต่อไม่ได้มีอย่างนั้นมอบให้เป็นของสงของกลางไปเลยเป็นให้อยู่ในธรรมในวินัยแต่เขาลบธรรมเขาลบวินัยก็จะเจริญทำให้เขาลบธรรมให้เคาลบวินัยมันก็ไม่เจริญมันเป็นอย่างนั้นอืม ขลบตามาลบทำขลบวินัยก็คือเอาธรรมะมาปฏิบัติเอาวินัยมาปฏิบัติคือทําตามคําสอนของพระเจ้าเริ่มต้นทีเดียวอยา่าวเมื่ออยากให้ได้ผลเราไม่ต้องไปกังวลมากคอยกําหนดรู้ลมมีสติอยู่เฝ้ารู้อยู่เห็นอยู่จิตเราก็สงบลงได้เมื่อจิตสงบแล้วนั่นแหละธรรมะจะเกิด กิจจบแล้วพิจารณาอย่างเทตมาเทศในฝั่งนะ่ะให้พิจารณาว่าตัวตนคนเรานี่ประกอบด้วยรูปด้วยนารูป น, นามคนะันหน้าเน่ะประกอบด้วยคันหน้าถ้าแตกสลายแล้วก็แล้วกันไปแต่ว่าจิตวิญญาณก็ยังอยู่ต้อ ง, องท่องเที่ยวเวียนว่ายใจเกิด ไปในภพภูมิต่างๆต า, ต า, ต า, ตามบุญและบาปที่ทาไว้นั่นไม่รู้เมื่อไรเราจะได้พ้นจากทุกข์ไม่รู้เมื่อไหรเราจะพ้นจากความยากลำบากในทางกายทางใจเนี่ยไม่รู้เมื่อไรมันจะถึงความบริสุทธิ์ไม่รู้เมื่อไรว่าจิตของเราเนี่จะบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีมลทินไม่มีกิเลสเนี่ยไม่รู้เมื่อไหรตราบใดที่ไม่มีการปฏิบัติ ตามนั้นก็ยังชักช้าอยู่ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปจากกองทุกข์ได้เพรต่องทองเที่ยวเวียนว่ายไปตามบุญทำบาปเกิดแก่เก็บตายเกิดแก่เก็บตายกันเรื่อยไปด้วยเหตุนี้จึงควรที่เราทั้งหลายได้มีโอกาสดีต่อสู้กับเวลาแลยกว่าจะหาเวลาได้กว่าจะหาโอกาสได้นี่ มันไม่ใช่ธรรมดามัน้องคิดกันเป็นปีๆเลยจะเอาช่วงนั้นไปปฏิบัติช่วงนี้นไปปฏิบัติถ้ามาติดธุระหรือมันก็มาไม่ทันไม่ปฏิบัติไม่ทันเขาก็คอดต่อไปก็มาปฏิบัติใหม่เตรียมการอยู่หลายเดือนหลายปีกว่าจะได้มีโอกาสมาปฏิบัติได้ยินชื่อเสียงว่ามีการสอนการปฏิบัติอยู่แต่ก็ทางอิทนทีบ้างทางอะไรบ้าง สื่อต่างๆก็ให้ช่วยโคมเก่าให้มีคนมาปฏิบัติกันถ้าปฏิบัติก็มีการทำใจให้สงบนี่หละใจของราไม่สงบก็ทำให้มันสงบให้มันเย็นให้มันสบายให้มันมนีสุกกันนะ่ะส่วนมารกส่วนผลก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นปัจจตัง ใครรู้แล้วก็รู้ว่าเอเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเราสามารถกําหนดได้แล้วอยู่ในใจของเราอืไม่ตรงพยากรตัวคนนั้นเป็นโซดาสกิทาคานาคารานดาไปพยากรณมันก็ไม่ถูกมันไม่ถูกมันไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทเจ้าบอกพยากรทันทีว่าใครได้ไหรือไม่ได้อืมสามวกนี่ก็ มันลำบากเที่ยวพูดต่อคนไอ้คนนี้เป็นโซดาจกิตาค า, า, า, านาคาลหันถึงแม่รู้อยู่ก็าตามพูดไปก็เป็นการลำบากใจนั่นน่ะเพราะว่าคุนละทำแต่ละขั้นละต่อมันก็นมีของมันอยู่มันก็ผู้ปฏิบัติพระโซดาพันก็รู้ว่าจิตปุถุชนเป็นยังไง ในจิตของตัวเองเป็นยังไงพระสกิท า, าคามีก็รู้จิตผู้ที่เป็นพระสกาคามีด้วยกันนั่นตลอดลงมาจนถึงพระสุรพันธ์จนถึงปุตติชนพระอนาคามีถ้าเราเลยเป็นพระอนาคามีเราก็รู้จิตรู้ใจของพระอนาคามีว่าเป็นยังไงสงบยังไงดียังไงไม่ดียังไงแล้วก็พระ พระสกิทาคามีก็สามารถภาณาคามีภาณาคามีสามารถกำหนดรู้ใจพระสกิทาคามีรู้ใจพระสุรพันธ์รู้ใจของผุุ้ชนถ้าเป็นพระหันก์ก็รู้หมดใจของพระหันด้วยกันพระละหันด้วยกันก็รู้อันนี้ท่านแสดงไว้ใจของผ้าเรียบุคคลลองลองมาท่านก็รู้หมดใจของผุุ้ชนหยาบหนานหรือว่าเบาบางท่านก็รู้เหมือนกัน มันเป็นอย่างนั้นคือว่าผู้ต่ํำจะไม่รู้ผู้สูงแต่ผู้ใจสูงแล้วก็รู้ผู้ต่ําอันนี้ถ้าก็แสดงไว้มันกันในปัตตย์พิโรถ้าเป็นพระลหรรัน์แล้วก็สามารถรู้ใจพระลหันสามารถรู้ใจของอนาคามีของสกิทาคามีของพระสุรพันธ์ตลอดถึงของผู้สุชนหรือกันยาณาผู้สุชนก็สามารถรู้ได้ นี่เป็นอย่างนี้สามารถดูสามารถเห็นสามารถเข้าใจในความเป็นไปของแต่และขั้นละตอนแต่ก็ไม่ไปพยายามไปพยากรเพราะมันเป็นอันตรายมันใกล้ต่ออุตริมนุสธรรมคือธรรมที่อันยิ่งของมนุษย์คือม า, าพลดิพาณนั่นแหละในว่าอุตตริมนุสธรร ม, มเราไป พูดไปแสดงก็ทําได้อยู่แต่ว่ามันไม่ไม่ใช่หน้าที่เแต่หน้าที่เรามีสอนให้คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แล้วเห็นแล้วก็บอกว่าเออนี่ก็ ย, ยังชั่วไปได้ออย่างนี้แต่เราจะบอกว่าเออคนนี้เป็นชั่วประพันธ์นะเป็นศิษยากร น, นะเ ป, นรนนะเป็นนาคานนะเป็นอรหันนะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปทาอย่างนั้นอืเราลนะ เราไม่มีหน้าที่เป็นสาวกของพระทีเจ้าไม่ใช่หน้าที่เป็นผู้เป็นพระทธเจ้าเราจึงไม่ทาหน้าที่พยากรณ์แก่คนอื่นแต่ว่าคนที่ภาวนาเป็นในใหม่มันพึ่งๆนะมันอยากเทศมันอยากสแสดงมันอยากจะชี้แคงนั่นนี่อยากให้โลกนี่สงบสงัดในโลกนี้มีสุขเต็มที่อยากให้โลกนี้มีความเจริญรุ่งเรือง อยากให้ทุกคนในโลกนี้ปฏิบัติกันทั้งหมดอใจของพระสุอกองค์เจ้าผู้พันทันใดพผ่พานการภาวนาแล้วท่านเทศนาสั่งสอนไม่หยุดไม่หย่อนอสอนคนสอนอยากสอนรวมสอนพระสอนนินอยากให้ท่านเหล่านั้นมีความสุขความเจริญอยากให้ท่านเหล่านั้นในพ้นจากทุกข์เช่นเดียวกับผู้ที่ท่านพ้นแล้ว ท่านพ้นแล้วก็อยากโปรดเอาคนอื่นที่ยังไม่พ้นหรือพอมีทางที่จะโปรดเอาด้วยด้วยวิธีใดก็ห้าทางโปรดเอาด้วยวิธีนั้นอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละมันเป็นอย่างนี้ด้วยเหตุนี้เองเราจึงไม่จําเป็นต้องดีรอว่ารอชาติหน้าพบหน้าเธอเราจึงมาทาความดีชาตินี้พบนี้ มันสายไปแล้วอันนี้คิดผิดการปฏิบัติธรรมมันไม่สายมันมีเช้ามันไม่มีเช้าไม่มีบ่ายไม่มีเย็นหรอกการปฏิบัติธรรมนี่คำกลางคืนเลืต่างไม่ใช่การปฏิบัติชําระกิจให้บริสุทธิ์นี่มันทําได้ทุกเวลาทุกโอกาส การทำใจของตนให้บริสุทธิ์นี่มันทำได้ทุกวลาทุ ก, ากโอกาสไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นเวลาเช้าวเวลาสายสุนกขตังสุมาลักลณงสุภาตังอะไรอะไรเหล่านี้เป็นต้นสุนกขตังเวลาไหนมันก็ดีหมดเลือกดียามดีอะไรต่างๆอันนะั้ถ้าทาความดีแล้ว เลิกไหนมันก็ดีหมดถ้าทําความชั่วแล้วเลิกไหนมันก็ชั่วหมดความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจถ้าไปทําดีแล้วก็ความดีทางใจก็เกิดขึ้นมันไม่มีเลิกมียามว่าเท่านั้นเท่านี้ว่ายามนั้นยามนี้จึงมีมรรคมีผลย า, ยามนั้นยามนี้ไม่มีมรรคมีผลไม่ใช่คันมันไม่ใช่อย่างนั้น ปฏิบัติเวลาไหนก็ดีเวลานั้นก็ทำชั่วเวลาไหนก็เป็นคนชั่วเวลานั้นก็ทำดีเวลาไหนคนก็ดีเวลานั้นทาไม่ทำชั่วแล้วก็เป็นคนดีถ้าไม่ทำดีแล้วก็เป็นคนชั่วก็เท่านี้พรอพุธศาสนานี่สอนให้คนเป็นคนดีสอนให้คนมีมากมีผล สอนให้คนไปสอนไปนิพพานอืช่วยกันทั้งพระทั้งพุทธเจ้าทั้งพระสงฆ์สาวกตั้งใจปฏิบัติจนรู้เห็นด้วยตัวเองแล้วก็สอนคนอื่นในปฏิบัติจนรู้เห็นด้วยตัวของเขาอืมต่างคนต่างก็ดีไปหมดแหละสูงส่งไปหมดเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญดังนั้นถ้าตามความดี วันนี้ยังไม่ให้ผลวันต่อไปต้องให้ผลความดีให้ผลก่เรารูปขันน้มขันนี่แหละดีขึ้นเจริญขึ้นสูงส่งขึ้นพ้นทุกข์ไปในที่สุด น, นั่นแหละใเป็นผู้พ้นก็ใจเราเป็นผู้พ้นทุกข์ใจเราเป็นผู้รู้ใจเราเป็นผู้ตื่นใจเราเป็นผู้เบิกบาน การดำใจของเราให้บริสุทธิ์สงัดสงบตั้งอยู่ในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ยอมเจริญละ่ะนั้นยอมดีขึ้นยอมเจริญขึ้นพอให้ตั้งใจถ้ามาแล้วต้องเอาให้ได้ต้องภาวนาให้เป็น ถ้าภาวนาเป็นแล้วก็สบายที่กลับไปบ้านล้วก็ภาวนาได้อยู่ที่ไหนเราก็ภาวนาได้มันจะยากอะไรการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ทาไม่เป็นมันก็ยากหน่อยไม่รู้ว่าจะเอาในต่างไว้ที่ไหนไม่รู้จะอะไรเป็นยังไงแต่ถ้าครูบาอาจารย์เทศนาสั่งสอนอย่อยางนี้เราก็คอยรู้คอยกำหนดดูว่าเออนี่ใจเป็นอย่างนี้ใจสงบเป็นอย่างนี้ใจไม่สงบเป็นอย่างนี้ เราคอยรู้คอยดูคอยเห็นคอยสังเกตสังกาตลอดไปให้ใจให้รู้ว่า ใ, ใจของเรานี่เป็นอย่างนี้สงบอย่างนี้สบายอย่างนี้อย่าไ้ไปยึดถือว่าเออเห็นนิมีเห็นจางเห็นมาเห็นนั่นเห็นนี่อันนั้นเป็นของไม่แน่นอนเราอย่าไปใส่ใจใส่ใจแต่ว่าลมหาใจเข้าลมหาใจออกนี่แหละ ใจเราก็จะค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจเจริญดวงเดือดขึ้นไปเรื่อยตามลำดับจนถึงมรคนนิพพานอืเพราะฉะนั้นการนวัตปฏิบปธรรมขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้มันได้มันถึงได้มากก็เอาได้น้อยก็เอาขอให้ได้อความไม่ใช่ไม่ใช่ใชโลภความดีนะหมายความว่าต่างคนต่างก็ทํา ให้มันได้มากได้ผลขึ้นมาให้มันมีความสบายกายสบายใจขึ้นมาเราทำสมาธิเราทำเพื่ออะไรก็เพื่อความสงบทางใจสงบไปถึงขันน้นไหนสงบตั้งแต่เป็นพุทธชนอยู่สงบเป็นพระอริยเจ้าอยู่พระอริยเจ้าก็ใจสงบเหมือนกันพระ อริยบุคคลชั้นต้นชั้นสูงก็เหมือนกันนะใจสงบใจสบายเราปฏิบัติตามใจเราก็สงบใจเราก็สบายเหมือนกันก็เรลยกว่าได้เหมือนกันมีภาวนาเป็นแล้วเหมือนกันอย่ันนี้คอ้ทําไปเรื่อยๆคนไหนทําไม่เป็นก็นมาจะกูจะบอกให้จะสอนให้เดี๋ยวทุกคนก็เป็นได้ล่ะ ดีแล้วทําเป็นแล้วรู้จักช่องทางว่าเออทําอย่างนี้อยู่กับลมทาอย่างนี้ใจสบายอะไรอย่างงี้รู้แล้วเรารู้แล้วสบายเต็มที่มันร้องไห้แต่มันอยู่ได้มา่อไอือน้ําตาพุง่งมาเลยอหะอย่งั้นมันสบายเต็มที่ของมันแล้วถ้าไม่ใช่ครูบาอาจารย์การ์ดสอนกันไม่ได้นะไม่ใช่ธรรมดานะ สอนอยังไงก็ไม่ได้สอนอยังไงก็ไม่ได้หรอกถ้าไม่เคยสอนกันมามันไม่เกิดจิตทามันไม่เกิดความเรื่มใสมันไม่เกิดความยินดีแต่เคยบอกเคยสอนเคยเทศนาอบรมกันมานี่แต่พบก่อนชาตก่อนมาชาปัจจุบันนี้พอเทศนิดหน่อยก็สามารถทำกิจให้สงกขึ้นมาได้ให้มีสิ่งที่ควรมีขึ้นมาในตัวของเราคือมาคือผล นนกายนี้ไม่ได้บรรลุมากผลหรอกใจเป็นผู้บรรลุมากผลให้เขาใจอย่างนั้นกายนี้ก็แตกสลายตายไปมไม่ตายวันใดก็ตายวันหนึ่งแต่ว่าใจนั้นยังสืบพบสืบชาติไปอยู่จนกว่าจะบริสุทธิ์เต็มที่คือร่ารานจึงไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้จึงยุติการเกิดจึงอยู่สบาย ไม่ต้องกังวลในเรื่องอะไรทั้งทนทั้งสิทธิ์ทั้งปวท่านพูดถึงแล้วท่านก็นสบายท่านก็นรู้จักว่าเออการถึงที่สุดของการปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้มันสุขอย่างนี้สบายอย่างนี้มันไม่มีความกังวลอย่างนี้พูดถึงแล้วจอมจะรูเ้เห็นเห็นดีเข้าใจเองธรรมะก็จะเกิดขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติแหละเหลือที่จะกันานั่นานับหรืทีนี้ เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านทุกคนชงตั้งใจปฏิบัติบวาเพียรคุณงามความดีอย่าได้ต่อต่อยคนเราเกิดมามีกายกับใจสองอย่างเท่านี้แหละการหัดกายให้ทำงานทำหน้าที่ต่างๆก็ทำได้การหัดใจให้บรรลุมากคนก็ทำได้เพราะฉะนั้นการทำใจของตนเองให้บริสุทธิ์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็นความดีเป็นความประเสริฐเป็นความเลือเลิศที่สุดในโลกเราเกิดมาชาตินี้ไม่ขาดทุนเราได้กำไรคือเราได้ปฏิบัติธรรมเราก็ได้กำไรเราไม่ขาดทุนเลยเรามีฐานเรามีศีลเรามีภาวนาในสุดยอดแล้วฐานเราก็ให้ศีลเราก็รักษาภาวนานเราก็ปฏิบัติมันก็สุดยอดแล้ว ถ้าเราปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงก็ยิ่งยอดใหญ่เลยยอดใหญ่เลยอันนี้เป็นเยี่ยมน่ะให้โลกด้วยนี่ขอให้ทุกท่านทุกคนจงตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยอย่าท้อถอยเพราะการปฏิบัตินี้ถึงจะยากว่างก็ทนเอาถ้ามันเป็นแล้วยืนอยู่มันก็เป็นนั่งอยู่มันก็เป็นนอนอยู่มันก็เป็น นั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่เดินอยู่มันเป็นทั้งนั้นแหละมันสบายเข้าไปในกิจทุกเลึกนั่นนะขอให้ทัางใกปฏิบัติชำระ ก, กิจให้บริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้ามองทั้งหลายอา้าวยุติเบียงตอนนี้